บัดนี้จากแสแดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องของไฟที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นนอกจากทรงแสดงโดยความเป็นธาตุได้ทรงแสดงถึงคุณลักษณะของไยแล้วยังได้ทรงจำแนกไว้โดยปริยายอื่น เช่นทรงสแสดงไฟเจ็ดประการไว้คือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟทั้งสามกองนี้เป็นไฟที่มีการศึกษาไป ห, หาความเข้าใจกันตลอดถึงเกิ ด, กดความรู้ความเข้าใจในโทษของไฟเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีแลวไฟอีกสี่กองนั้นฉันใช้คาว่า อาหุนเนยักขิได้แก่ไฟคือบุพภการีบุคคลทั้งหลายในชีวิตของบุคคลแต่ละคนทักขินเนยักขีไฟคือพระเรียเจ้าทั้งหลายกะหปะปตะขิไฟคือผู้ใหญ่ทั้งหลายและกัดถักขได้แก่ไฟที่ติดโดย ท, ทั่วไป ในข้อนี้ทรงสอนเน้นไปในด้านของการปฏิบัติเกี่ยวข้องโดยให้บุคคลตระหนักในแง่ของไฟว่าไฟนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณอ น, นันต์แต่ก็มีโทษมหันต์บุคคลไม่สามารถขาดจากไฟได้จะในขณะเดียวกันทักเกินไปมากไปก็เป็นอันตรายจากไฟได้ การเรียนรู้การแสวงหาความเข้าใจจึงต้องเริ่มที่กัตถักคิได้แก่ไฟที่เราก่อขึ้นโดยปกติธรรมดาซึ่งของ้อนี้บุคคลเพียงใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบก็จะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าการเกิดขึ้นของไฟนั้นเป็นการเกิดขึ้นโดยองค์ประกอบต่างๆและเมื่อประกอบกันเข้าแล้ว ก, ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่บุคคลผู้ประสงค์ที่จะได้จากไฟนานาประการทราบใดที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปสัมพันธ์กับไฟยังมีสติสั ม, มัิชัญญามีเหตุมีผลรู้เท่าทันของไฟเหล่านั้นก็จะสามารถได้รับประโยชน์จากไฟตลอดไปแต่ยามใดที่ บุคคลขาดสติสัมปชัญญะมีความเผอเรอไม่มีเหตุผลในการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไฟอย่างน้อยก็อาจจะถูกไฟไหม้เอาหรือไฟลุกลามไหม้รุนแรงจนอาจจะเผาบ้านเผาเมืองขึ้นมาได้จุดสำคัญอย่างยิ่งก็คือจุดของความประมาทอย่างที่ํำนวนทึงท่านพูดกันว่าไม้ขีดก้านเดียวก็เผาเมืองได้นั่นเอง คำว่ไม่ขีดกั้นเดียวก็คือการที่บุคคลประมาทเพลิดเพลปลอยไม่ขีดเอาไว้แล้วก็ลูกลามได้เชื้อเหล่าอื่นเพิ่มขึ้นในที่สุดก็ไหม้บ้านไมหม้เมืองได้การเกี่ยวข้องกับไฟจึงเป็นบทเรียนในชีวิตประจําวันของบุคคลที่อาจจะน้อมไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไฟส่วนอื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้จะกล่าวเฉพาะไฟสี่กองเท่านั้น องแรกก็คืออาขุเนยักขิไฟคืออาขุเนยับุคคลได้แก่ท่านซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเน้นกันไปในภายในครอบครัวอาุเนยักบุคคลภายในครอบครัวก็คือมารดาบิดาเป็นต้นไปโดยเฉพาะก็คือมารดาบิดาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า เป็นอาหุนยะบุคคลของบุตรสถิดาคําว่าอาหุเนยะนั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะเป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือของผู้เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นวิญโูชนทั้งหลายในโลกนี้มันดาบิดาทําไมจึงอยู่ในฐานะของไฟ พระมารดาบิดาเป็นผู้เกื้อกูลต่อบุตรที่ดาอย่างเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลทั้งหลายกันจุบแต่ในขณะเดียวกันการเกี่ยวข้องการสัมพันธ์กับมารดาบิดาหรือบุคคลผู้เป็นใหญ่ในสกุลนั้นข้อที่ควรระมัดระวงังก็คือความมีสมาคารวะการแสดงความเอื้อเฟือ้อการให้ความเคารพยอมรับนับถือฐานะของท่าน ถ้าก็มีการละเมิดมีการล่วงเกินมีการกระทําที่ไม่เหมาะต่อมารดาบิดาก็จะกลายเป็นบาปประกรรมที่ลดหลั่นกันขึ้นไปจนถึงเป็นอนันตริยกรรมอย่างที่ทราบกันมารดาบิดาจึงมีคุณอนันต์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อมีความสํานึกว่าท่านเป็นผู้มีอุปการคุณเป็นผู้ให้ชีวิตร่างกายและทุกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องมาจากชีวิต ต้นแล้วแต่ได้จากอันดาบิดาทั้งนั้นบางครั้งท่านแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของผู้เป็นบุสฏิดาเช่นการได้เป็นถึงพระเจ้าจกักรพรรดิครอบครองแผ่นดินทั้งหมดเอาไว้แต่เมื่อสืบเชื้อสายไปในแง่ของปัจจัยการคือแง่ของเหตุของผลแล้วก็จะพบว่า ต, ต้นตอที่แท้ จ, จริงนั้นก็คือมือของพ่อของแม่ ที่รอเลี้ยงบุคคลเหล่านั้นขึ้นมาให้เจริญเติบโตกล้าแข็งขึ้นจนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองแผ่นดินอย่างที่ท่านบรรยายไว้ว่าแม่จะลุกผ่าแผลงแรงจากด้วยอำนาจกำแหงแรงยิ่งกว่าอันมือไกยเปรซ้ายแต่ไรมาคือหัตถาครองพิพบจบสากรซึ่งก็หมายความว่าถ้าด้านบวกแล้วก็บวกอย่างมากมายมหาศาลทีเดียว มารดาจึงกลายเป็นบุรพรเทศเป็นพรหมและเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธศาสนาแสดงว่าคนทุกคนนั้นมีพระอาหารหันต์อยู่ภายในบ้านคือมารดาและปิดาแต่ในแง่ของความเป็นโทษนั้นแต่แการกระทำของผู้เป็นบุตธิดาเองเหมือนกับอะไรเหมือนคนที่ใช้ไฟ ใช้ด้วยความประมาทขาดความระมัดระวังไม่มีสติสัมปชัญญะหรือเผลอเรอเป็นต้นควายก็ลุกไหม้เอาได้การเกี่ยวข้องกับมารดาบิดาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าบุคคลมีอาาระวะไม่มีสมาคาระวะที่แสดงออกมาทางกายทางวาิชามีจิตใจนึกดูมินโสมประมาทมารดาบิดาจนถึงรังเกียจท่าน่านเลี้ยงมาแล้วก็ไม่เลี้ยงตอบ ไม่ช่วยเหลือในกิจการงานของท่านไม่วางตนให้ไม่รักษาวงศสกุลของท่านไม่วางตนให้เหมาะสมในฐานะของทายาทหรือท่านตายไปแล้วไม่ทําบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติผิดต่อมารดาบิดาและในที่นี้ในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงความเป็นเคยเป็นสะพายด้วย คราวนี้จะพบถึงโอวาทสิบประการที่พระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นความถูกต้องอานนนชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขาในข้อสุดท้ายก็บอกให้บำเรอไฟคำว่าบำเรอไฟนั้นไม่ได้หมายถึงว่าบูชาไฟในความเข้าใจของคนสมัยนั้นแต่หมายถึงการที่บุคคลจะต้องประพฤติตนโดยความเอื้อเฟื้อสานึกคุณมีสมาธิระวมมีจิตใจอ่อนโยน ต่อมานดาบิดาของตนเองและต่อมานดาบิดาของสามีของปัญญาเพรท่านเหล่านั้นก็อยู่ในประเภทอะหุนเนยักขิได้แก่ไฟคืออหุนเนยะบุคคลที่มีคุณอันนันและมีโทษมหันการเกี่ยวข้องกับบุคคลประเภทนี้จึงต้องอาศัยพื้นฐานของเหตุผลและความดีงามที่เป็นหลักใจของตนเองใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบ มองให้เห็นเหตุเห็นผลแล้วก็จะได้ประโยชน์จากบุคคลเหล่านั้นเป็นอันมากแต่ถ้าหากว่าประพฤติผิดก็า จ, จะลุกไหม้เอาได้โดยนัยยะที่กล่าวแล้วตัวอย่างที่พึงเพึงเห็นได้กันอย่างชัดเจนเช่นลูกใดอกตันยูต่อมารดาปิดาไม่เลี้ยงดูมารดาผู้เจราเป็นต้นผลที่ตนจะต้องประสบคือคือก็คือการถูกทอดทิ้งการไม่เอาใจใส่ของบุตรศรีดาแห่งตนเป็นอาชีเป็นตัวอย่างที่เห็นประจักษ์กันได้ในโลกนี้ การต่อไปก็คือทักขินนยักษิได้แก่ไฟคือพระเรียเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปท่านเหล่านี้เป็นระดุษไฟเพราะมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ดังกล่าวการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านที่เป็นอริยนั้นถ้าหากว่าบุคคลมีความเคารพมีความสำนึกเห็นคุณของท่าน แสดงความเคารพก็เป็นมงคลประเภทที่เรียกว่าบูชาท่านผู้ควรบูชาเป็นอุ ด, ดมมงคลประบัติต่อท่านโดยความเอื้อเฟือ้อเช่นแสดงออกในด้านวาจาโดยความเอื้อเฟือ้อก็เป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญแก่ผู้นั้นบำรุงท่านด้วยเจตุปัจจัยก็เป็นไปเพื่อผลเพื่ออนิสงส์อันยิ่งใหญ่แก่ตน ในด้านที่เป็นคุณนันพระระยะบุคคลเป็นกัญญาณมิตรของบุคคลที่มีอุปการะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หวังอนุเคราะห์หวังเกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้นถ้าบุคคลเข้าไปหาท่านในด้านนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์นานับประการอย่างที่บุคคลทั้งหลายได้ประสบพบมาในอดีตการและแม้ในปัจจุบันอากาศผลทั้งในด้านครองชีตในด้านจิตใจ ล้วจะสืบต่อกุศลส่วนอื่นๆขึ้นไปเจนว่าเข้าไปหาท่านเข้าไปนั่งใกล้ฟังธรรมเงี่ยหูลงฟังธรรมกาหนดข้อความที่ท่านสดแสดงพิจารณาข้อความแห่งธรรมที่ท่านสดแสดงจนเกิดความรู้แจ้งเห็นเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามที่ความตามที่เป็นจริงอย่างไรได้บุคคลก็ อยู่ในฐานะที่จะถ่ายถอนที่จะบรรเทาความรุนแรงของไฟคือราคาโทรศโมู่ใอ้เบาบางลงไปจนถึงกับสงบระงับดับไปได้ในที่สุดนี้ก็เพราะอาศัยเข้าไปในด้านบวกคือมีการยอมรับนับถือต่อบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าเข้าไปในด้านลบไม่มีสัมมาคาระวะไม่ยอมรับนับถือท่านเหล่านั้นแม้แต่เพียงแสดงอาการะวะคือไม่มีความเอเื้อเฟื้อเท่านั้นเอง ก็ประสบโทษตามสมควรแก่ความผิดแนวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เล่าถึงท่านสุปพุทธกุฏิที่อะไรก็ดีหมดแต่กลายเป็นคนโรคเรื้อนโดยโทษบาปเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองคืออาคาระวะต่อพระปัจเจกาพพุทธเจ้าเดินสวนกับพระปัจเจกาพพุทธเจ้าตามปกติแล้วเวลาเดินสวนผู้ใหญ่นั้นจะต้องให้ผู้ใหญ่ไปทางขวามือของตนแต่ในแต่ว่า คนผู้นี้ให้พระปัเจกับพุทธเจ้าไปทางท้ายมือของตนนั่นก็พอทำหนาแต่ที่สำคัญก็คือโถมน้ำลายรถท่านต่อมาก็กลายเป็นคนโรคเรือนเพราะโทษที่อกษาระวะต่อพระปัจเจกับพุทธเจ้าซึ่งมีลักษณะเป็นทักกินอิยาคิและเกวไฟคือทักกินยยบุ ค, คุณเวลาพูดในทางการสบประมาทดูถูกดูหมิน่นที่ท่านใช้คาว่าอาริยภาวะ คือวาทะไม่มีความเคารพต่อพระเรือเจ้าทั้งหลายก็ไปสบความพิบัติได้ง่ายอย่างเช่นพระภิกษุรูปหนึ่งในศาสนาของประกศาศปะสมาสัมพุเตเจ้าชื่อพระกปิละย่างอื่นท่านดีหมดมีความศรัทธาบั่นคงในพระตัณฑ์ไรก็ดีแต่ว่ากับพระสมองอื่นแล้วไม่ยอมรับนับถือด่าว่าได้แม้แต่พระอรหันต์ตายไปตกนรกกลายเป็นสัต ต่อมาก็เกิดเป็นปลาและก็มีปากเหม็นมากนี่ก็คือโทษบาปที่เกิดขึ้นจากอายุประวัติเป็นเศษแทงวิบากกรรมที่ตนกระทําเอาไว้เท่านั้นก้อนนี้พระพุาธเจ้าได้รับสั่งสแสดงแก่บริษัททั้งหลายมีพระเจ้าประเสณยนที่กุศลเป็นประธานทีนี้ถ้าเข้าไปผิดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นโทษก็จะสูงขึ้นบางครั้งก็รุนแรงที่เห็นได้ในปัจจุบันอย่างคนที่ถูกโทรณีสูบตามหลักฐานในพระพุทธศาสนาหท่านนั้น ล้วนแล้วแต่ประพฤติผิดต่อไฟคือทักขินยะบุคคลทั้งนั้นพระเจ้าสุภพุทธะพระพฤติผิดต่อพระพุทธเจ้าเทวทัตประพฤติผิดต่อพระพุทธเจ้านันทะยักษ์พระพฤติผิดต่อพระสารีบุตรนันทะมานพพระพฤติผิดต่อพระบุญบรรณาเทเรนางยินจามนาวิกาประพฤติผิดต่อพระพุทธเจ้าแต่ละท่านนั้นถูกธรณีสูบหมดเลยเพราะแผ่นดินไม่สามารถทรงคุณ อันเป็นบาปจากช้าของบุคคลเหล่านั้นไม่ได้อย่าลืมว่าตัวอย่างบุคคลที่ถูกธรรีสูบนั้นปัจจุบันไม่มีใครทำบาปกรรมรุนแรงได้ขนาดนั้นจึงไม่มีข่าวคราวเรื่องคนที่ถูกตรรีสูบเพราะกรรมประจักษ์แต่บุคคลที่มีจิตใจประทุษร้ายต่อพระเรเจ้าทั้งหลายนั้น จะมีบาปรุนแรงลดลันกันขึ้นไปตามลักษณะของเจตนาตามการกระทาและบุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์พอมองในแง่ด้านบวกอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยทั่วทั่วไปเป็นการบำเพ็ญบุญประเภทที่เรียกว่าสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยคุณพร้อมทั้งสี่ประการที่อำนวยผลให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลในปัจจุบันแม้แต่การให้ทานโดยของเล็กน้อย อาขุเนยยักขิก็กลายเป็นไฟที่มีความสําคัญคือสนับสนุนส่งเสริมในด้านนี้เป็นอย่างมากเพระท่านกําหนดมาตรฐานบุญกุศลที่จะหนวยผลในปัจจุบันไว้เป็นสี่ประการคือท่านเหล่านั้นจะต้องเป็นพระรีบุคคลระดับพระอนาคามีและพระอระหันต์ปัจจัยที่ได้มาของผู้บริจาคได้มาในทางที่ชอบธรรมเจตนาในการบริจาคบริสุทธิ์หมดทั้งสามการ และเป็นการถวายทานแก่พระเดเจ้าเหล่านั้นคนแรกในขณะที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติถึงทหารว่าองค์ประกอบทั้งสี่ประการนี้ครบบริบูรณ์ในบุคคลใดบุคคลผู้นั้นจะได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานในปัจจุบันนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีคุณอันนันและมีโทษมหันของท่านเหล่านี้ถ้าเราไปเกี่ยวข้องดีก็ได้ประโยชน์มาก ถ้าเกี่ยวข้องไม่ดีก็มีทุกข์มีโทษมากแม้แต่อาคาระวะบางประการเล็กๆน้อยๆซึ่งคนที่ไม่มีความทราบซึ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วอาจจะมองผ่านเลยไปเช่นว่าบุปกรรมที่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าพิมพิสารจนถูกพระเจ้าชาติสูญฝาผ่พาพระบาทไม่สามารถที่จะเดินจงกรมได้และที่วงโคดไปในที่สุดนั้น เมื่อสืบสาไปถึงต้นต่อแล้วก็จะพบว่าเป็นด้วยบุปกรรมในอดีตของท่านที่เคยสวมรองเท้าเข้าไปในลานเจดีอันเป็นที่บรรจุธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นการแสดงอคาระวะต่อปูจะในิจตฐานเช่นนั้นอาจจะเป็นความการการะทำโดยไม่จงใจรุนแรงอะไรเท่าไรก็ตามแต่ว่าบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญ เมื่อถึงคราวแกจะให้ผลแกก็พร้อมที่จะให้ผลผลที่เกิดขึ้นจากอคาราะวะคือขาดความเคารพต่อปู่เจนทานเหล่านั้น<ต>ก็อำนวยให้พระเจ้าพิมพิสารต้องถูกพาระบาด ท, ทั้งสองข้างแล้วก็เดินไม่ได้นี่ก็เป็นเป็นหลักประการหนึ่งของพักกินยักิได้เก่ไฟคือท่านที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ประโสดาบันบุคคลขึ้นไปมีคุณอ น, นันต มีโทษมหันถ้าหากว่ามีวาทถ้าเป็นปฏิปักษ์คัดค้านต่อพระเจ้าด้วยแล้วจะมีโทษสูงขึ้นไปกับนั้นอีกไฟประการต่อไปก็คือไฟที่เรียกว่าขหาปะตักขิซึ่งก็หมายถึงผู้ใหญ่ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับฐานะของใครอย่างเช่นสามีพัญยาในครอบครัวนั้นท่านถือว่าสามีเป็นข่าปตักขิของพันยา จากพัญญาไม่มีการประพฤติกระทำโดยเอื้อเฟื้อต่อสามีของตนมีการดูหมิน่นมีการประพฤตินอกใจไม่ให้ความเคารพจำเกรงฐานะของสามีหรือพ่อแม่ของสามีเป็นต้นหรือร่างฐานทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้มันก็กลายเป็นความร้อนจะถูกแผดเผาในด้านนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงเรื่องเหล่านี้ก็มองเห็นกันได้ชัดๆทีนี้เวลาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นคือผู้ใหญ่กว่าจะอยู่ในฐานะเป็นไฟอยู่เสมอ พร้อมที่จะให้คุณและพร้อมที่จะให้ทั้งโทษก็ขึ้นอยู่กับการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับท่านอย่างที่โบราณท่านให้กติเอาไว้ก็รู้สึกจะอาศัยแนวนี้เหมือนกันที่ท่านบอกว่านายรักเหมือนกระเสือกออดซึ่งจะต้องระมัดระวังเหมือนกันไม่ใช่จะปล่อยให้การหลงตัวลืมตัว แสดงความไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อต่อท่านขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่กระตุ้นเตือนให้บุคคลหาบทเรียนจากกองไฟกองหนึ่งแต่นั่นเองกองไฟประเภทที่เรียกว่ากัดทักคิคือไฟที่เกิดขึ้นจากการก่อด้วยไม้เป็นต้นหนึ่งเราเรียนจากไฟกองนี้พิจารณาไฟกองนี้มองจากจุดไม่ใช่เฉพาะแสงสว่างเพียงอย่างเดียวแต่มองในส่วนอื่นๆ เราก็เพ่งดูไฟจะเกิดจากอะไรก็ได้แล้วก็มองดูเชื่อมโยงเข้าไปหาในแต่ละจุดส่วนอะไรที่เป็นการเกื้อกูลซึ่งเราได้จากไฟเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นส่วนนั้นก็จะเกื้อกูลเช่นเดียวกันแต่ถ้าส่วนอะไรที่เป็นโทษซึ่งเราเคยประสบจา ก, จากไฟและเห็นจากไฟเป็นเหตุการณ์ภาพข่าวธรรมดาสามัญเวลาไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไฟด้วยตัวเองก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จะพบว่าผู้มีปัญญาสามารถเรียนรู้จากแง่มุมต่างๆของไฟได้เป็นอย่างมากเมื่อเรียนแล้วเราก็นำเข้าไปปรับใช้เวลาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลายจะในฐานะของบุตรชิดาจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดาก็ใช้ในด้านที่จะเสริมสร้างคุณค่าควบคุมความประพฤติของตนให้อยู่ในเหมาะในจุดที่เหมาะสมเมืออะไร เหมือนกับควบคุมความรุนแรงความเร่าร้อนของไฟในจุดที่ให้เกิดประโยชน์<ๆ>ก็ใช้งานได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆถึงปริมาณของความร้อนก็ไม่จาเป็นจะต้องเท่ากันแต่สรุปว่าเราจะต้องอาศัยไฟในเมื่อต้องการเรื่องของความร้อนการเกี่ยวข้องกับมารดาบิดาในจุดนี้ก็จะเกื้อกูลเป็นประโยชน์เ ป, นปชนเป็นสิริมงคลแก่บุคคลผู้นั้นและแท้ที่จริงก็ไม่ได้อยู่ในจุดเดียว แม้แต่จุดของการอุปถากบารุงมานดาบิดาก็เป็นอุดมมงคลต่อบุคคลผู้นั้นพอแสดงความคารวะก็เป็นอุดมมงคลอีกข้อหนึ่งพอถ่อมตนก็เป็นมงคลอีกข้อหนึ่งพอปฏิบัติต่อท่านโดยเอื้อเฟือก็ ก, กลายเป็นมงคลอีกข้อหนึ่ ง, เ ป, งเป็นทั้งบุญเป็นทั้งมงคลเป็นทั้งกุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นทีนี้ในกรณีของพระอริยะเจ้านั้น เอาก็จริงแล้วเป็นเรื่องที่ออกจะปฏิบัติยากเพราะเราไม่รู้ว่าท่านรูปใดเป็นพระรีเจ้าท่านรูปใดเป็นปุตุชนสามัญเพราะความเป็นอริยะหรือไม่เป็นนั้นอยู่ที่จิตใจของท่านจิตใจของท่านผูด้ใดที่สามารถสงบกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงหมดสามข้อคือความถืเตือถือตั ว, ถ, ตวถือตนความเคลือบแคลงสงสัยการถือมั่นโดยศีลและวัตตต่างๆท่านก็เป็นพระอริยบุคคลนะ ด้วยเหตุนั้นเพื่อป้องกันบุคคลรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงในรูปของหน้าที่ไว้เป็นการเบื้องต้นประชาบานจะต้องปฏิบัติต่อนักบวช ด, ด้วยความเอื้อเฟือ้อเือให้มีเมตตาทางกายกรรมจะทำอะไรก็ประกอบด้วยเมตตามีความมุ่งดีมีความหวังดีปรารถนาดีจะพูดถึงก็ต้องพูดถึงด้วยเมตตา ไม่ใช่พูดอย่างขาดความรับผิดชอบหรือพูดด้วยทิษยาพยาบาทหรือพูดด้วยความหมันไส้าราคาญอะไรเป็นต้นเพราะไม่แน่บางครั้งบางคราวไปเจอเอาท่านที่เป็นพระยบุคคลขึ้นมาก็ได้อย่างที่พ่อค้าขายผานคนหนึ่งที่ไปพูดกับพระเป็นโลลภาตรวาวะชะโดยเกิดราคาญท่านขึ้นมา แล้วก็หลอกลวงท่านในที่สุดก็สิ่งนั้นเป็นไปาตามที่หลอกลวงเอาไปเวลานึกคิดถึงอะไรของท่านก็นึกขินนึกคิดถึงด้วยความเมตตาลักษณะของเมตตาที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั้นจะมีความส ง, งบเย็นไม่มีความริษยาพยาบาทบังเกิดขึ้นเวลาแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็จะกลายเป็นการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อพูดโดยเอื้อเฟื้อกระทำโดยเอื้อเฟื้อ ยินดีให้การต้อนรับตามสมควรยินดีที่จะสนับสนุนให้บบาำรุงด้วยจตุปัจจัยเป็นต้นแต่ในกรณีที่ทำไม่ได้ก็อย่าแสดงความขาดเมตตาทางกายทางวจาจจ ա ออกมาซึ่งเป็นหลักการคุ้มครองตนและจากหลักข้อ น, นี้จะพบว่าจะมีความเชื่อมโยงกันในการประพฤติปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแ ส, สดงถึงคารวะไว้หประการ ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ใกล้พระนิพพานคือบุคคลมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในรจจิคขาในความไม่ประมาทและในการปฏิสันทันการแสดงความคาระวะในแนวนี้ทรงใช้คำว่านิบานัเสวสันติเกเป็นข้อปฏิบัติใกล้พระนิพพานกลายเป็นการสร้างเกราะขึ้นขึ้นคุ้มครองตน มองเห็นบุคคลทั้งหลายเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความดีงามโดยเฉพาะคือท่านที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเมื่อมีหลักใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้อย่างนี้จิตใจของบุคคลก็จะสงบความมานะความถือตัวความดูหมิน่นหรือว่าความอาคตาิว่าต่างๆลงไปได้และในด้านของพราปอตักคินั้น กรต้องยึดหลักการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งหมายความว่าเป็นการสมควรแก่บุคคลเพราะอะไรเพราะว่าบุคคล น, นั้นมีความหลากหลายออกไปบุคคลจะยืนอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นบางครั้งก็มีความเสี่ยงในการประพฤติปฏิบัติคนนั้นมีฐานะอย่างไรมีคุณธรรมอย่างไรมีพื้นอัตยาศายอย่างไรก็ปฏิบัติโดยความเอื้อเฟื้อต่อบุคคล น, นั้นให้เหมาะให้ควร ก็เป็นการป้องกันภัยอันตรายจากไฟเหล่านั้นลุกไหม้ตนเองได้ทำความสวัสดีให้แก่ตนได้เมื่อล่าวโดยสรุปแล้วก็คือหลักที่บุคคลจะพึงใช้ตามแนวของสัพุริสธรรมคือธรรมะของสัตว์บุรุษนั่นเองคือถ้าหากว่ามีจุดอยู่ตรงนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นผู้มีเหตุผลความเป็นผู้รู้เหตุรู้ผล ที่ท่านใช้คําว่ารู้เขตรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้การรู้เวลาต่างๆเนี่นี่คือหลักที่จะก่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรเกียติธรรมขึ้นมาได้เวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งในการละอย่างหนึ่งควรจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติให้เหมาะสมในจุดนั้นในการละนั้นแน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวกรรมฐานโดยตรงแต่เป็นอุปการะต่อการปฏิบัติกรรมฐาน เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าไปกระทำสิ่งที่เป็นบาปต่อบุคคลเหล่านั้นหรืเอเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นบาปกรมฐานก็ขึ้นไม่ได้คือขึ้นสู่ความสงบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเสียฐานในการประพฤติปฏิบัติพื้นฐานทางใจมีความหยาบช้ากระดั่งไม่มีความสมาคารวะแม้ต่อมาดาบิดาของตนต่อพระเดเจ้าทั้งหลายซึ่งไม่เป็นค่าศึกในโลกนี้ และต่อผู้บังคับบัญชาผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตนเป็นต้นเวลาจะมาทําสงบใจใจก็สงบไม่ได้ก็จะเหนียวนึกต่อสิ่งเหล่านั้นในทํานองที่ตนเก็บเอาไว้อย่างไรแต่ถ้าหากว่ามีความโปร่งเบาสบายไม่มีปัญหาในด้านจิตใจเวลาปฏิบัติเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้นั้นนั่นก็คือฐานของความคิดที่จะน้มน้อมจิตใจของบุคคลเข้าไปหาความสงบและจะดําเนินไปได้ เพราะสิ่งที่เป็นสนิมใจเป็นมนทินใจนั้นได้รับการขัดเกลาวออกไปจากใจแล้วโดยลำดับปัจจัยทั้งหมดนั้นก็เริ่มมาจากการเรียนจากไฟดังกล่าวแล้ววิธีการทางพระพุทธศาสตร์สนาที่ท่านนำไปใช้ในบางจุดคือมองอะไรสักจุดหนึ่งให้เข้าใจในจุดนั้นอาจจะมองน้ำก็ได้มองลมก็ได้มองดินก็ได้มองไฟก็ได้แล้วก็นึกหาเหตุผลจากสิ่งเหล่านั้น ใช้เป็นมาตรเป็นเครื่องจับเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นสิ่งอื่นจะทําทให้บุคคลสามารถหาประโยชน์จากสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆได้เป็นอย่างดีต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป